บทที่8โรงพิศดารและโลกที่สามน่าประหลาดอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้สามารถจะคิดคำนึงถึงความมีอยู่ของโลกที่เราอาจเรียกว่าโลกที่สามได้ง่ายกว่าโลกที่สองเสียอีกทั้งนี้อาจเป็นเพราะมันมีทางหาเหตุผลในหลักวิชาฟิสิกส์และหลักการที่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นๆอีกโลกที่สามนี้มีสภาวะเป็นอย่างไร ขอให้ท่านพิจารณาได้จากบันทึกต่อไปนี้ 1. วันที่หพฤศจิกายน1958เเวลาบ่ายความสั่นสะเทือนภายในเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายและก็ไม่ได้ทำให้เกิดความอึดอัดอย่างใดตอนที่มันเกิดอาการสะเทือนอย่างรุนแรงนั้นข้าพเจ้าลองพยายามจะแยกตนเองออกจากกายเนื้อให้ได้ ก็รู้สึกว่าไม่สาเร็จไม่ว่าจะลองแบบไหนๆก็ออกไปไม่ได้อยู่นั่นเองถึงนึกขึ้นได้ถึงแบบหมุนตัวซึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นการนอนพลิกตัวไปอีกข้างหนึ่งฉชนั้นพอนึกได้ก็ลองดูทันทีคือลองพลิกตัวไปอีกข้างหนึ่งก็เป็นผลสาเร็จเพราะรู้สึกว่ากายเนื้อไม่ได้หมุนตามไปด้วยลองเคลื่อนตัวอย่างช้าๆจนกระทั่งหน้าคว่ำลงซึ่งเป็นท่าที่ตรงข้ามกับกายเนื้อ กำลังอยู่ในท่านอนหงายพอหมุนตัวกลับได้180องศากายกับเนื้อก็เกิดมีรูโพรงขึ้นทันทีรู้สึกว่าจะเป็นช่องโพรงอะไรสักอย่างในกำแพงซึ่งหนาประมาณสองฟิตและเท่าที่มองเห็นก็รู้สึกว่าจะยาวเหยียดออกไปไม่รู้จบทุกด้านน่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่รูโพรงนี้มีเส้นขอบของมันเป็นลักษณะเหมือนกับร่างกายของข้าพเจ้าพอดี ลองเอามือจับและคลำดูก็รู้สึกว่ามีลักษณะแข็งๆและราบเรียบแต่เส้นของขอบโพรงนี้เท่าที่สัมผัสจากมือของกายซึ่งไม่ใช่กายเนื้อก็รู้สึกว่าค่อนข้างหยาบระด้างลองชะโงกเข้าไปดูก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังนอกจากความมืดทึบถึมอันที่จริงความรู้สึกบอกตอนเองว่ามันไม่ใช่เป็นความมืดของห้องมืด แต่เป็นความมืดอันหาขอบเขตไม่ได้เลยคล้ายๆกับว่าข้าพเจ้ากําลังโผล่หน้าต่างออกไปดูความมืดของวงอวกาศอันกว้างขวางไพศาลยังไม่มีขอบเขตเลยนั่นเองพร้อมกันนั้นก็รู้สึกขึ้นมาเองว่ามิถ้าสายตาดีกว่านี้สักเล็กน้อยก็คงจะได้เห็นดาวดวงใหญ่น้อยเต็มไปหมดข้าพเจ้าลองเคลื่อนผ่านโปรงนั้นออกไปอย่างระมัดระวัง โดยจับขอบทั้งสองข้างไว้อย่างมั่นคงและโผล่เีรษะออกไปข้างนอกไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากความดำมืดไม่มีผู้คนไม่มีวัตถุอะไรๆเลยแน่นอนความรู้สึกนี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องหดศสียใจกลับมาดังเดิมด้วยความหวาดหวัน่นต่อจากนั้นก็หันร่างกลับไปตามเดิมจนครบร้อยแปองศาแล้วก็กลับมาเข้ากายเนื้อตามเดิม เวลาที่ผ่านไปรู้สึกคล้ายๆกับว่าเพียงไม่กีน่นาทีแต่เมื่อดูนาฬิกาจึงทราบว่าได้ออกไปจากกายเนื้อนานถึงหนึ่งชั่วโมง5นาที 2. วันที่18ปพฤศจิกายน1958เเวลากลางคืน ราวนี้ความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าลองใช้วิธีหมุนตัวก็รู้สึกว่าได้ผลจึงไหลหมุนไปจนครบหนึ่งร้อองศาครั้นแล้วก็ปรากฏเป็นกำแพงและช่องโรงเหมือนเดิมตลอดจึงถึงความดํำมืดสนิทข้างหลังช่องนั้นเช่นเดิมราวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะใช้ความระมัดระวังให้มากกว่าแต่ก่อนจึงค่อยๆลองยื่นมือข้างหนึ่งออกไปควานคลำดูในความมืดนั้น แต่ก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อรู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งมาจับมือของข้าพเจ้าไว้แล้วก็เขย่าเสียด้วยมือนี้เท่าที่รู้สึกจากสัมผัสก็ปรากฏว่าเป็นมือคนเราดีๆนี่เองมีความอบอุ่นเหมือนมีเลือดมีเนื้อแบบมือธรรมดาหลังจากที่ได้เขย่ามือกันแล้วข้าพเจ้าก็รีบชักมือกลับมาเสียครั้นแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ค่อยๆเอื้อมควานออกไปอีก มือนั้นก็ปรากฏออกมาจากมือข้าพเจ้าเขย่าอีกและต่อจากนั้นก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งใส่ลงในมือข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าชักมือเข้ามาและก้มลงมองในกระดาษแผ่นนั้นก็เห็นว่ามีตำบลที่อยู่แห่งหนึ่งเขียนไว้บนกระดาษนั้นเมื่อเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ยื่นมือออกไปเอากระดาษแผ่นนั้นส่งคืนได้มีการเขย่ามือกันอีก แล้าพระเจ้าก็ชักมือกลับหมุนตัวกลับมาดังเดิมเพื่อเข้ากายเนื้อเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งด้วยกายเนื้อรานี้มีอะไรแปลกๆดีพิกลเห็นจะต้องลองสืบดูตำบลที่ถแถวบลอดเวสักหน่อยแต่เผื่อมันเป็นตำบลที่อยู่ในนิวยอร์กจริงๆสวันที่ห้าธันวาคม1958 ตอนเช้าข้าพเจ้าใช้วิธีหมุนตัวตามเดิมและก็พบช่องโรงนั้นอีกคราวนี้ตั้งใจจะระวังให้มากขึ้นอีกจึงค่อยๆเอามือทั้งสองโผล่ออกไปกวาดดูก่อนได้ผลตามเคยเหมือนกันคือคราวนี้มีมือสองมือเมื่อรวบมือทั้งสองของข้าพเจ้าไว้พร้อมกันและต่อจากนั้นก็มีเสียงเรียกชื่อข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกของประสบการณ์แบบนี้ทีเดียวเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิง พูดค่อยๆเสียงต่ำๆแต่มีแววแสดงอาการร้อนรนคล้ายๆกับว่าต้องการจะปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นจากหลับแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่อยากรบกวนฉะนั้นเสียงนั้นเรียกว่าบอบบอบข้าพเจ้าสะดุง้งแต่แล้วก็แข็งใจถามไปว่านั่นจะชื่ออะไรคล้ายกับจะพยายามหาหลักฐานให้แน่นอนขึ้นฉะนั้นสังเกตได้อย่างหนึ่งว่า เมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำถามออกไปก็คล้ายๆกับว่าคำกล่าวนั้นจะทําให้เกิดความสันสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนกับการที่เราเอาก้อนหินคว้างลงไปในสระหรือบ่อที่มีน้ํานิ่งอยู่แต่เดิมฉะนั้นคือมีเสียงกระสอกสู้ซ่าและแตกประทุทํานองนั้นเสียงนั้นเรียกชื่อข้าพเจ้าซ้ําอีกและข้าพเจ้าก็กล่าวคําถามซ้ําอีกในระหว่างนี้มือทั้งสองนั้น ก็อย่างกลุ่มมือทั้งสองของข้าพเจ้าอยู่เพื่อที่จะทดลองดูให้แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆข้าพเจ้าจึงชักมือออกกลับมาเข้ากายเนื้อด้วยวิธีหมุนตัวย้อนกลับมาทางเดิมลุกขึ้นนั่งและกล่าวคำถามนั้นด้วยกายเนื้อดูให้แน่ใจเสร็จแล้วก็ลงนอนหมุนตัวกลับออกจากกายเนื้อใหม่และชะโงกหน้าออกไปกล่าวคาถามนั้นที่ปากช่องนั้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ปรากฏว่ามีเสียงตอบพยายามเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรู้สึกว่าความสั่นสะเทือนจะลดกำลังลงแล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถไปอยู่นอกกายเนื้อได้อีกนานนักจึงต้องกลับมาเข้ากายเนื้อดังเดิมสี่ วันที่27ธันวาคม1958เวลากลางคืนเมื่อออกจากกายเนื้อก็พบช่องโพรงนั้นอีกเช่นเคยข้าพเจ้า ร, รวบรวมความกล้าโดยยื่นศรีษรษะโผล่ไปนอกช่องนั้นดูท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างตื่นเต้นว่ามาดูนี่เร็วเข้าแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นใครหรือว่าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะข้าพเจ้าหลับตาเนื้อเส้นในขณะระหว่าง ที่มีความสะเทือนก็ได้กระมังการที่ข้าพเจ้าหลับตาก็เพื่อไม่ให้ใจวกแวกไปในทางอื่นเป็นนั้นว่าไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นมาเลยนอกจากว่ามีเสียงเรียกซ้ำมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าความสันสะเทือนอ่อนกำลังลงแล้วเป็นนั้นว่าอยู่ต่อไปอีกไม่ได้จึงต้องกลับมาเข้ากายเนื้อโดยไม่มีเหตุการณ์คืบหน้าอย่างใดอีก วันที่สิบห้ามกราคมหนึ่งเก้าห้าเกตอนบ่ายเริ่มการค้นคว้าเรื่องโครงประหลาดนี้อีกครั้งนี้รู้สึกประมาเมื่อเอามือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปลองความดูแต่แล้วก็เกิดความคิดปล่อยวางได้ในทันทีนึกในใจว่าเอาละทีนี้จะมีมือคนหรือเล็บของสัตว์อะไรอะไรไมายึดมือของข้าพเจ้าไว้ก็ลองกันดูที เพราะอย่างน้อยขพเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นศัตรูกับใครพอคิดเช่นนั้นก็ปรากฏมีมือมาจับมือของขพเจ้าไว้แล้วบีบด้วยอาการแสดงความเป็นมิตรขพเจ้าจึงบีบตอบพร้องกับเกิดความรู้สึกว่าเจ้าของมือนั้นก็ได้แสดงความเป็นมิตรกับขพเจ้าเหมือนกันเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าร่างแต่ครั้งนี้รู้สึกคลุกขลักเล็กน้อยเห็นจะเป็นเพราะตื่นเต้นนั่นเอง วันที่21มกราคม5 9กลางคืนลงมือสำรวจโพรงพิสดานี้อีกลองเอามือล้วงควานเข้าไปในโรงลึกเข้าไปรันแล้วก็แย่มมือเข้าไปอีกข้างหนึ่งทันใดก็รู้สึกว่ามีอะไรคล้ายๆตะขอมาฝังลงไปในมือยิ่งพยายามชักมือออกมันก็ยิ่งฝังลึกลงไปมากขึ้นแต่ในที่สุดก็ดึงเอามือกลับออกมาจนได้ ยังตกใจไม่หายอันที่จริงมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดอะไรมากมายนักเป็นแต่ว่ามันทำให้ตกใจเสมากกว่ารีบกลับมาเข้ากายเนื้อแล้วมองดูมือขวาของกายเนื้อแต่ก็ไม่ปรากฏรอยอะไรอยู่เลยนอกจากว่ายังมีความรู้สึกตกค้างอยู่คล้ายๆกับว่ามีอะไรมาทิ่มแทงลงไปอยู่เรื่อยๆ วันที่25ห้ามกราคมห9กลางคืนอดใจไม่ได้ต้องลองอีกค่อยคอยล่วงเข้าไปในโพรงราวนี้มีมือมาจับมือของข้าพเจ้าไว้แน่นแต่ดีหน่อยที่ไม่มีตะขอมาทิ่มต่ำอีกรันแล้วมือนั้นก็ส่งของข้าพเจ้าผ่านไปให้มือที่สองต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ปล่อยมือจากมือที่สองแล้วลองคลำคลำขึ้นไปเรื่อย เพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรต่อไปปรากฏว่าเหนือมือนั้นขึ้นไปก็มีแขนเหนือแขนขึ้นไปก็มีบาไาลอีกด้วยน่าสนใจมากกําลังจะพยายามคลําต่อไปเรื่อยเจ้าความสันสะเทือนก็เกิดอ่อนกําลังลงสอีกเลยต้องรีบกลับมาเข้ากายเนื้อแต่เมื่อกลับมาแล้วก็มีเห็นว่ามีความจำเป็นหรือความผิดปกติทางกายอย่างใดที่ทาให้ต้องรีบกลับมาเช่นนั้น รอกแขนหรือขาก็ไม่ได้เป็นตะคริวแต่อย่างใดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมีเสียงอะไรผิดปกติชั่วขณะก็ได้กระมัง 8. วันที่ห้ากุมภาพันธ์1959ตอนบ่ายเรื่องโครงพิสดารยังจบไม่ได้อีกลองเอามือล้วงเข้าไปอีกตามเคยครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองล้วงลึกลงไปอีก คราวนี้รู้สึกว่าร้อนมือขึ้นมาทันทีคล้ายๆกับว่าข้าพเจ้าได้แย่มือลงไปในน้ำร้อนที่มีกระแสไฟฟ้าประจุอยู่ด้วยฉะนั้นชักตกใจเลยรีบกลับมาเข้ากายเนื้อพิจารณาดูมือของกายเนื้อก็ปรากฏว่ายังรู้สึกชาและเต้นตุบๆอยู่ลองคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะท่านอนที่ผิดปกติทำให้การไหลเวียนของโลหิตขัดข้องไปเองก็ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะท่านอนก็เป็นปกติดีความรู้สึกชาและเต้นตุบๆที่มือยังคงมีอยู่หลังจากนั้นประมาณย0สบนาทีจึงค่อยๆหายไป 9. วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์1959ตอนบ่าย น, นี้ลองออกจากกายเนื้อและกลับมาเข้ากายเนื้อโดยทางแนวดิงต่อจากนั้นก็หมุนตัวเข้าไปที่โพรงประหลาดลึกลับนั้นทันทีราวนี้รวบรวมกําลังใจเต็มที่พุ่งปรัดผ่านช่องโพรงนี้เข้าไปอย่างรวดเร็วคล้ายกับนักว่ายน้ําว่ายพุ่งตัวผ่านรูอะไรอย่างหนึ่งใต้น้ําฉะนั้นต่อจากนั้นก็รู้สึกว่าได้กระทบเข้ากับอีกด้านหนึ่งของรูซึ่งเป็นกําแพงเหมือนกับด้านที่ผ่านมานั่นเอง ข้าพเจ้าพยายามจะมองหาหเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็มืดสนิทจึงคิดว่าเห็นจะต้องแก้ปัญหาค่องใจนี้ให้ตกการเสียทีไม่เช่นนั้นมันก็ค้างเตืออยู่เรื่อยไปจึงพุ่งตัวต่อไปตามแนวตรงห่างออกไปจากช่องนั้นครั้งแรกก็เคลื่อนไหวอย่างช้าๆก่อนแต่ต่อมาก็เร่งความเร็วขึ้นทุกทีแต่แม้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ก็รู้สึกว่ามีแรงต้านทานหรือเสียสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในระหว่างนี้ก็อดนึกประหลาดใจไม่ได้ว่าอะไรหนอที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั้นแต่เวลาผ่านไปรู้สึกว่านานก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดวิตกกังวลขึ้นมาเองอีกน่าประหลาดจริงๆมันไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกว่าได้กระทบอะไรเลยสภาวะเช่นนี้นานๆไปก็ทาให้ข้าพเจ้าชักใจไม่ค่อยดี พอต่อไปก็ทำให้เกิดกลัวขึ้นมาเลยทีเดียวคือกลัวว่าอาจจะลงทางเสียแล้วก็ได้พอคิดเช่นนี้ก็ชะลอความเร็วลงแล้วก็หยุดต่อจากนั้นก็หันหลังกลับมุ่งหน้ามาทางปากช่องที่ผ่านมาดังเดิมขากลับก็เสียเวลาเท่าๆกับขาไปตลอดทางก็วิตกกังวลมากเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแสงสว่างอยู่เหนือช่องโปรงที่เข้ามาข้าพเจ้ารีบพุ่งตัวขึ้นและออกมาจากโพรง กลับมาเข้ากายเนื้อได้เหลือบดูนาฬิกาถึงได้รู้ว่าคราวนี้เดินทางออกนอกกายเนื้อเป็นนานถึงสามชั่วโมงสิบห้านาทีส0วันที่ยี่สามกุมภาพันหนึ่งเก้าห้า้ากลางคืนเป็นอันยรู้กันเสียทีคราวนี้โรงนี้มีคนอยู่จริงๆนั่นแหละข้าวันนี้เองเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง ลองเข้าไปสำรวจดูอีกทีอย่างไม่ต้องเกรงอะไรทั้งนั้นพอลอดช่องเข้าไปก็ยืนขึ้นทันทีพร้อมกันนั้นความรู้สึกก็บอกตัวเองว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นด้วยแล้วรู้ต่อมาอีกด้วยว่าเป็นผู้ชายอันที่จริงความรู้ที่กล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการมองเห็นแต่อย่างใดมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเองแต่เราก็มีเรื่องแปลกพิสารเกิดขึ้น คือข้าพเจ้าคุกเข่าลงแสดงความขอบใจเบื้องหน้าเขาแล้วก็สะอื่นออกมาด้วยหลังจากนั้นเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วก็ถอยกลับออกมาจากโพรงนั้นและมาเข้ากายเนื้อหน้าประหลาดที่ว่าชายนั้นเป็นใครและที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นมากก็คือเหตุใดข้าพเจ้าจึงเกิดอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนพยายามนึกย้อนหลังไปครั้งแล้วครั้งเล่า ก็บอกตอนเองไม่ได้ว่ามีเหตุผลอย่างใดถึงได้กระทำอะไรพิลึกพิลึกอย่างนั้นลงไปได้ 11. วันที่27ดกุมภาพันธ์1959กลางคืนเรื่องดูพิลึกนี้ยังไม่จบเพราะยังไม่เข็ดอยากจะหาคำตอบให้ได้เข้าไปครั้งนี้ภายในก็ยังดำมืดเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้รู้สึกเฉยเฉคือไม่ค่อยเกิดความรู้สึกกลัวหรือหวาดหวั่นเท่าใดนักไม่มีมือลึอกลับไม่มีคนอยู่แต่รู้สึกว่ามีอะไรแข็งแ็งอยู่ใต้เท้าดังนั้นจึงพยายามลืมตาเพื่อจะได้เห็นอะไรให้ได้พอลืมตาได้แล้วคราวนี้ก็ได้เห็นจริงๆคือเห็นว่าตนเองมาเยือนอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างหลังหนึ่งซึ่งท่าทางดูน่าจะเป็นยุ่งข้าวมากกว่าที่จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย บ้านนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างทันใดนั้นก็คิดว่าอยากจะเหินขึ้นไปบนอากาศสักหน่อยถ้าจะดีรอตอนนั้นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินแจ่มใสไม่มีเมฆเลยแต่ทำอย่างไรอย่างไรก็ยกตัวขึ้นจากพื้นดินไม่ได้เอหมายความว่าในที่นี้ตัวเราถ้าจะมีน้ำหนักเหมือนในโลกมนุษย์ของกายเนื้อเสเล้ากระมังห่างออกไปประมาณร้อยฟุตข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งสิ่งหนึ่ง มีลักษณะคล้ายๆกับบันไดแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าเป็นหอคอยสูงประมาณสิบฟุตตอนนั้นนึกขึ้นมาว่าเราคงจะต้องใช้ลานบินหรือยกพื้นช่วยให้การเหินบ้างเป็นแน่ดังนั้นจึงปีนขึ้นไปบนหอคอยจนถึงยอดแล้วก็กระโดดออกมาทันทีคิดว่าคราวนี้คงลอยอยู่ได้แน่แต่ผลก็คือตกลงมาข้างล่างเสียงดังตุบใหญ่ยังไม่มีท่าเลย นึกดูตอนนั้นความรู้สึกของข้าพเจ้าคงจะเหมือนกับความรู้สึกของนกที่ถูกตัดปีกเสียแล้วนั่นเองข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นยืนพร้อมกับนึกในใจว่าเรานี่โง่มากที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่เคยทําได้ผลมาแล้วข้าพเจ้าจึงชูแขนทั้งสองเหยียดขึ้นในท่าบินซึ่งก็ได้ผลสมใจคือค่ อ, คอยๆเหินขึ้นและต่อจากนั้นก็ร่อนไปสำรวจบริเวณนั้นโดยรอบ ในขณะที่กำลังร่อนลมเล่นอยู่นั่นเองก็มีสิ่งหนึ่งบินผ่านแวบไปเมื่อหันตามไปดูก็เห็นเจ้าสิ่งนั้นบินไปทางกำแพงด้านที่มีช่องโพรงอยู่ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเจ้าสิ่งนี้อาจพ้นลอดรูไปแล้วเลยไปเข้ากายเนื้อของข้าพเจ้าแทนข้าพเจ้าก็เป็นได้เร็วทบความคิดข้าพเจ้ารีบหมุนตัวกลับแล้วดาดิงเพื่อจะผ่านไปเข้าช่องนั้น แต่เ้าก็ได้ทราบว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นช่องหรือโพรงอะไรนั้นความจริงก็คือหน้าต่างด้านหนึ่งของสิ่งก่อสร้างนั่นเองอย่างไรก็ตามเป็นอันวภาคข้าพเจ้าผ่านช่องหน้าต่างนั้นมาได้แล้วรีบกลับมาเข้าร่างเนื้อได้โดยสวัสดีภาพแต่เมื่อกลับมาแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเรียบร้อยดีไม่มีอะไรผิดปกติดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจออกไปใหม่ เพราะความสันสะเทือนในตอนนี้ยังมีกําลังแรงพออยู่ข้าพเจ้าพุ่งตัวผ่านช่องโพรงนั้นออกไปสู่แสงสว่างทางอีกด้านหนึ่งรานี้สังเกตเห็นคนสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นสถานที่ก่อสร้างนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถจะติดต่อกับผู้ชายได้แต่กับผู้หญิงดูเหมือนจะพอติดต่อกันได้บ้างเพราะรู้สึกว่าเธอจะรู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นลองถามดูว่า เธอรู้ไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นใครแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบนอกจากเธอจะแสดงว่ารู้ว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองตอนนี้ความสั่นสะเทือนจะอ่อนกำลังลงข้าพเจ้าจึงต้องถอยกลับมาเข้ากายเนื้อเวลาที่ผ่านไปในตอนนี้สี่สิบนาที ข้อสันนิษฐานข้าพเจ้าได้กล่าวมาอย่างยืดยาวกับเรื่องการสํารวจช่องโรงลึกลับซึ่งมีปัญหาว่าเรื่องนี้มีสาระเพียงไรเมื่อดูเผลอมันก็คล้ายๆกับจะเป็นเรื่องของภาพหลอนคือเห็นไปเองไม่ได้เรื่องราวสาระอะไรแต่เมื่อพิเคราะห์ดูอีกทีจะเห็นว่ามันมีรายการคงที่อยู่ประการหนึ่งแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าประหลาด ประการแรกก็คือข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีเรื่องของใครที่ไหนเท่าที่ทราบมาจะนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องพิลึกนี้ได้เลยดูๆไปมันก็คล้ายกับจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแต่ทาให้เรารู้สึกว่ามีแผนการอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังและก็เกิดขึ้นซ้ำๆกันอยู่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่มากประการที่สอง เหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยกรรมวิธีประจำแบบหนึ่งคือ 1. มีความสั่นสะเทือนนำมาก่อน 2. มีการหมุนตัวเป็นร8 0ยองศาเพื่อออกจากกายเนื้อและ 3. ปรากฏมีโพรงประหลาดเกิดขึ้นทุกครั้งจะเห็นได้ว่าการทดลองเรื่องนี้ไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่รวมทั้งหมดถึง11ครั้ง การหมุนตัวไปร้อยองศาเพื่อออกจากกายเนื้อก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันกับความกว้างของมุมในเรื่องนี้หรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่านักฟิสิกส์น่าจะลองพิจารณาหาเหตุผลความเกี่ยวข้องดูบ้างนอกจากนั้นการศึกษาทฤษฎีเรื่องรูปแบบคองคลื่นคือ Wave from Studies ที่นามาประยุกต์ในกรณีนี้ ก็น่าจะเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันความดำมืดของโรงนั้นอาจเป็นเพราะความสามารถในการเห็นของข้าพเจ้ายังไม่สูงพอก็เป็นได้ในการทดลองระยะแรกๆข้าพเจ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องหลับตาเสียด้วยในระหว่างที่เกิดความสันสะเทือนขึ้นเพราะการทำเช่นนั้นจะเป็นทางช่วยรักษาความสันสะเทือนให้คงอยู่ได้ แต่ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าพยายามลืมตาในขณะที่ออกจากกายเนื้อไปแล้วเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นอะไรอะไรบ้างก็รู้สึกว่าได้ผลบ้างน่าคิดว่าถ่านในระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางคือบินไปในระยะไ ก, กลนั้นลองลืมตาดูบ้างก็อาจจะได้เห็นอะไรอะไรมากขึ้นก็ได้กระมังแต่เรื่องมือลึกลับนี้น่าประหลาดมากยังหาทางอธิบายไม่ได้เลย จะว่ามีเหตุจูงใจให้เห็นหรือรู้สึกไปเองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะครั้งต่อๆมาก็ได้ประสบเช่นเดียวกันนี้อีกแต่สำหรับแผ่นกระดาษที่มีตำบลที่อยู่เขียนไว้นั้นอาจจะพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นความจำในเรื่องเก่าๆถูกฟื้นขึ้นมาในที่นี้ภาษาทางพุทธเรียกว่าเป็นนิวร์ อาจจะพอสันนิษฐานได้ว่าเป็นความจำในเรื่องเก่าๆถูกฟื้นขึ้นมาในเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการจับมือกันกับใครคนหนึ่งในการพบหรือรู้จักกับคนคนนั้นเป็นครั้งแรกก็ได้เรื่องตะขอที่มาเกี่ยวหรือเจาะเข้าไปในมือของข้าพเจ้าก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกัน หมายเหตุผู้อ่านสำหรับพบที่มีแต่ความดำมืดนั้นถ้าจะให้เดาก็น่าจะเป็นอบายภูมิต่ขอที่มาเกี่ยวมือนั้นก็อาจจะเป็นมือของสัตวนรกหรือเป็นมือของเปรตก็ได้ซึ่งในหนังสือโลกทิพย์ที่เป็นการเล่าถึงเรื่องโลกหลังความตายของต่างชาติเช่นเดียวกันก็อธิบายถึงสภาพแวดล้อมในภูมิต่ำว่ามีความมืด และสิ่งมีชีวิตในนั้นบางจำพวกก็มีสภาพมือคล้ายกรงเล็บของสัตว์เช่นเดียวกันนะครับการมีเสียงเรียกชื่อนี้เป็นเรื่องไม่ผิดปกติวิสัยนักเคยมีเรื่องราวบันทึกไว้มากรายด้วยกันว่าอยู่ดีๆก็เกิดมีเสียงเรียกชื่อขึ้นมา ล, ลอยๆโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งในเวลาตื่นและเวลาหลับ มีนักจิตวิทยาหลายคนได้พยายามอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายอย่างด้วยกันซึ่งก็มีเหตุผลพอฟังได้บ้างแต่บางครั้งสำหรับบางรายก็ไม่มีเหตุผลหรือทฤษฎีข้อไหนใช้ได้เลยเหมือนกันการที่เกิดมีใครอื่นรู้ว่าข้าพเจ้าโปรยศีรษเข้าไปในช่องโพรงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเท่าที่ได้เคยอ่านรายงานของคนอื่นๆมา ก็ปรากฏว่าถ้าจะมีคนรู้เห็นก็มักจะเป็นจากระยะทางไกลแต่ของข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนคนนั้นอยู่ใกล้กับปากช่องนั่นเองเรื่องเวลาการเดินทางก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่มีโอกาสจะสอบกับของรายอื่นว่าใกล้เคียงหรือห่างไกลกันเพียงไรสภาพอารมณ์ของข้าพเจ้าในขณะที่พบกับใครคนหนึ่งในโพรงนั้น ก็เป็นเรื่องที่ลึกลับพิสดานอยู่ไม่น้อยเหตุใดข้าพเจ้าจึงเกิดความรู้สึกด้อยและมีอารมณ์ตื่นตันถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันสรุปความก็คือมันมีความแปลกประหลาดที่ในการทดลองครั้งต่อๆมาก็มีรายการส่วนใหญ่เหมือนเหือนกันผู้ช่างคิดอาจกล่าวว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันคือเห็นภาพหลอนไปเองก็ได้ โลกที่สามกล่าวโดยย่อก็ดูจะเป็นโลกทางวัตถุและฟิสิกส์ซึ่งมีสภาวะความเป็นไปคล้ายกับโลกเรามากทีเดียวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็เหมือนกันมีต้นไม้บ้านเมืองผู่คนศิลปะวัตถุและสิ่งอื่นๆที่เป็นลักษณะของสังคมที่มีอารยธรรมพอสมควรมีบ้านช่องครอบครัวธุรกิจต่างๆและมีคนทางานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยมีถนน ซึ่งมียานพาหนะแล่นผ่านไปมามีท้งรถไฟและขบวนรถไฟด้วยทีนี้ส่วนที่ไม่ค่อยเหมือนที่เดียวก็มีบ้างเหมือนกันอันที่จริงในตอนแรกข้าพเจ้าเองก็คิดว่ามันคงจะเป็นสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกมนุษย์เรานี่เองที่ยังไม่มีผู้ใดรู้จักเพราะมันมีลักษณะชวนให้คิดดังนั้นจริงๆแต่เมื่อได้ศึกษาดูถี่ถ้วนแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าไม่ใช่แน่ คือไม่ใช่สถานที่ในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในอดีตรหรืออนาคตก็ตามสิ่งแรกที่เข้ากันไม่ได้คือความเจริญทางวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยคือว่าสิ่งที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็ดีไฟฟ้าแม่เหล็กก็ดีหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาทั้งสองนั้นก็ดีไม่เห็นว่ามีอยู่คือว่าไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์ หรือพลังงานไฟฟ้าเลยแหล่งเกิดของกำลังงานที่มีการเผาไหม้ภายในก็ดีที่ใช้แก้โซลีนหรือน้ำมันก็ดีก็ไม่เห็นมีอีกแต่ก็แปลกที่มีการใช้กำลังจากเครื่องจักรด้วยเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถึงหัวรถจักรคันหนึ่งที่ใช้ลากจูงสิ่งที่คล้ายกับจะเป็นรถโดยสารสมัยโบราณเต็มทีก็ปรากฏว่าใช้กาลังไอน้าขับดันรถโดยสารก็ดูเหมือนว่าจะทาด้วยไม้ ส่วนหัวจักรก็ทําด้วยเหล็กแต่ก็เป็นแบบซึ่งไม่เคยเห็นในแบบเก่าๆที่ไหนของโลกเราเลยความกว้างของรางก็แคบกว่ารางมาตรฐานของเราและแคบกว่ารางขนาดแคบที่ใช้สําหรับรถไฟแบบขึ้นเขาเสียด้วยซ้ําข้าพเจ้าเดเฟ้าพิจารณาดูการทํางานของหัวจักรคันหนึ่งอย่างใกล้ชิดก็ไม่เห็นเขาใช้ไม้หรือฐานหินสําหรับทําให้เกิดความร้อน เพื่อที่จะได้เกิดไอ้น้ำมาเป็นพลังขับดันแต่เขากลับใช้ภาชนะคล้ายขวดขนาดใหญ่เลื่อนออกมาจากใต้มอน้ำของรถจักรนั้นแล้วใช้รถเล็กๆ เ, เข็นเข้าไปในตึกมีกำแพงกำแพงหนาๆภาชนะนั้นมีท่อต่อเป็นงวงออกมาจากข้างบนคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีโล่ป้องกันตัวไว้สังเกตดูเขาทำงานกันอย่างระมัดระวังมาก ในขณะที่ทําการเคลื่อนย้ายภาชนะนั้นจนกระทั่งเมื่อภาชนะนั้นถูกย้ายเข้าไปอยู่ในตึกแล้วและปิดประตูตึกเรียบร้อยแล้วจึงจะลดความเคร่งเครียดลงน่ากลัวสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นคงจะเป็นความร้อนซึ่งอาจจะเกิดจากอุณหภูมิหรือการแผ่รังสีก็ได้แต่สังเกตดูจากความระมัดระวังของพวกช่างที่ทํางานข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นความร้อน เกิดจากการแผ่รังสีซะมากกว่าถนนหนทางก็ไม่เหมือนกับของเราโดยเฉพาะในเรื่องขนาดช่องทางสำหรับให้ยานพาหนะเดินกว้างถึงสองเท่าของเรารถของเขาก็ใหญ่กว่าของเรามากแม้คันที่เล็กที่สุดก็มีม้านั่งที่ให้คนนั่งเรียงกันตามขวางได้ถึงห้าหรือหคนแต่ที่เป็นมาตรฐานกับมีที่นั่งเดียวคือของคนขับ ส่วนที่เหลือนั้นจัดกันแบบห้องนั่งเล่นมากกว่าที่จะเป็นรถสำหรับโดยสารคือมีเก้าอี้หลายตัวตั้งเรียงกันไปรอบๆบริเวณซึ่งกว้างประมาณ15้าฟุตและยาว20สิบฟุตล้อรถของเขาก็แปลกคือไม่มียางหุ้มการขับรถก็ไม่มีพวงมาลัยกลมๆ ม, มีแต่เพียงแท่งยาวๆแท่งเดียววางตามขวางกาลังขับเคลื่อนดูจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งทางด้านหลังความเร็วของรถก็ไม่มากนะัก กะดูประมาณชั่วโมงละสิบห้าถึง20บไมล์เท่านั้นการจะราจรก็ไม่คับคั่งเท่าใดส่วนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนไปด้วยกำลังคนก็มีเป็นรูปคล้ายๆกับยกพื้นสี่ล้อใช้เท้าหมุนหรือถีบดันล้อหน้าให้เคลื่อนไปมีกลไกซึ่งทำงานด้วยมือช่วยส่งกำลังขับนั้นไปที่ล้อหลังดูคล้ายๆกับของเล่นของเด็กๆในสมัยก่อนที่เรีย ก, กันว่ารถพายฉะนั้น ยานพาหนะดังกล่าวนี้ใช้สำหรับระยะทางสั้นๆมิสัยและขนบธรรมเนียมของเขาก็ไม่เหมือนกันกันกบของเราเท่าที่สังเกตมาได้เล็กน้อยพอจะปฏิปตะต่ะต อ, อ ก, กันได้ความว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยมีชื่อเหตุการณ์และระยะการแตกต่างจากโลกของเราทีเดียวกล่าวด้วยคร่าวๆแม้มนุษย์จำพวกนี้ จะอยู่ในยุคแห่งการวิวัฒนาการยุคเดียวกันกันกบเราแต่การวิวัฒนาการทางเทคนิคและสังคมของเขาก็แตกต่างจากเรามากที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าเขาเป็นมนุษย์ก็เพราะความรู้สึกบอกว่าถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านสําหรับเรื่องโลกที่สามในที่นี้ ขอให้เข้าใจนะครับว่าเป็นเพียงภพภูมิหนึ่งที่เป็นส่วนย่อยเหมือนท้องถิ่นเล็กๆท้องถิ่นหนึ่งในภพภูมิอันมหาศาลที่มีอีกหลายชั้นหลายภูมิเป็นส่วนเล็กๆเพียงน้อยนิดของภพภูมิทั้งหมดเท่านั้นนะครับเรื่องพิลึกต่อไปนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดพิลึกกืกกือเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟัง เกี่ยวกับโลกที่สามขออาภัยด้วยถ้าท่านจะเกิดความสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกในบางตอนเพราะอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองก็ง ง, งเต็มทีเหมือนกันเรื่องเป็นดังนี้ในโลกที่สามนั้นรู้สึกว่าบุคคลที่นั่นส่วนมากจะไม่รู้ว่ามีข้าพเจ้าเข้าไปเกกะเพ่นพานอยู่กับเขาด้วยนักจนกระทั่งวันหนึ่งข้าพเจ้าเกิดไปสวมรอย เขารปนนร่างของใครคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นการชั่วคราวเจ้าหมอนั่นซึ่งต่อไเป็นน้คข้าพเจ้าจะขอเรียกว่าเป็นตัวข้าพเจ้าที่นั่นส่วนข้าพเจ้าผู้เล่าจะใช้สับพนามว่าข้าพเจ้าเฉยๆหรือข้าพเจ้าที่นี่เพื่อไม่ให้สับสนปนเปกันจะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเกิดรู้สึกว่ามีอะไรลากตัวเองเข้าไปหาเจ้าหมอนั่น หรือข้าพเจ้าที่นั่นแล้วเลยไปแอบอ้างอาศัยเป็นตัวของเขาไปชั่วคราวมันเป็นเรื่องคล้ายๆกับจะเป็นอัตโนมัติฉะนั้นคือมันจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อข้าพเจ้าเกิดไปเข้าถึงโลกที่สามนั้นเข้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เวลาข้าพเจ้ายัดเยียดตัวเองเข้าไปแทนในร่างของเขาและกลายเป็นข้าพเจ้าที่นั่นไปแล้วนั้นก็ไม่เคยปรากฏจะรู้สึกว่า เจ้าของเดิมของเขาเป็นหลบอยู่เสียที่ไหนเลยทีนี้การที่ข้าพเจ้าที่นี่จะรู้ว่าข้าพเจ้าที่นั่นเป็นใครและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็รู้ได้จากครอบครัวของเขานั่นเองนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากสมองของเขาซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งธนาคารแห่งความจำคือ Memory Bank กคือเก็บประวัติเก่าๆไว้ทั้งๆที่ข้าพเจ้าที่นี่รู้ดีว่าตนเองไม่ใช่ข้าพเจ้าที่นั่น แต่ก็ยังมีความรู้สึกเข้าไปเป็นผู้สวยอารมณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของเขาเช่นเดียวกับตัวเขาเองเหมือนกันอดนิกสงสัยไม่ได้ว่าเวลาข้าพเจ้าแอบเข้าไปอยู่ในตัวเขานั้นจะทาให้เขาแสดงกิริยาเป็นอะไรออกมาบ้างในหมู่สังคมเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องของเขาน่ากลัวว่าบางครั้งมันอาจทาให้เขาเสียใจมากในภายหลังก็เป็นได้ ประวัติของเขาหรือของข้าพเจ้าที่นั่นมีดังนี้เขาเป็นคนค่อนข้างจะรู้สึกเงียบเหงาในเรื่องกิจการงานด้านสถาปัตย์และรับเหมาก่อสร้างก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าใดนักนอกจากนั้นยังเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมด้วยเขามาจากชนชั้นที่อาจกล่าวได้ว่ามีไรายได้ต่ำ ได้เข้ารับการศึกษาเพียงแค่วิทยาลัยเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นการงานอาชีพขั้นต้นของเขาอยู่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในฐานะเป็นงานสามัญธรรมดาไม่มีความสําคัญอะไรนักเขาอยู่ที่ชั้นสองของบ้านแห่งหนึ่งที่มีห้องหลายห้องเวลาไปทํางานก็ไปรถประจําทางเมือง น, นี้เป็นเมืองที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนดังนั้นเขาจึงมีเพื่อนฝูงไม่กี่คน รถประจำทางนั้นเป็นรถคันใหญ่กว้างขวางมากสามารถนั่งเรียงแถวตามแนวขวางได้ถึง8คนที่นั่งแถวหลังก็ยกสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนนั่งแถวหลังได้มีโอกาสเห็นภาพข้างหน้าได้เท่าๆกันครั้งแรกที่ข้าพเจ้าแอบเข้าไปอยู่ในร่างของเขานั้นเป็นเวลาที่เขากำลังจะลงจากรถประจำทางตอนนั้นพอแอบยัดเยียดตัวเองเข้าไปแล้ว ข้าพเจ้าก็เลยพยายามจะชำระค่าโดยสารให้ด้วยปรากฏว่าคนขับหันมามองอย่างประหลาดใจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าในเมืองนี้ผู้คนเขาคงขึ้นรถประจำทางกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารกันเลยการเข้าไปสิงอยู่ในตัวเขาครั้งที่สองเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีวิกฤตการททางอารมณ์ข้าพเจ้าที่นั่น ได้พบกับหญิงคนหนึ่งชื่อหลีซึ่งมีฐานะนดีและมีลูกสองคนแล้วเป็นหญิงคนหนึ่งและชายคนหนึ่งอายุยังไม่ถึงสี่ขวบทั้งสองคนแม่หญิงหลีคนนี้เป็นคนท่าทางเศร้าๆชอบคิดเพอ้อฝันและดูเหมือนว่าจะได้เคยผ่านโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มาแล้วเกี่ยวกับสามีเก่าของเธอซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ยังไม่ทราบชัดนักข้าพเจ้าที่นั่น พบแม่หญิงคนนี้โดยบังเอิญและก็รู้สึกว่าออกจะติดใจเธออย่างลึกซึ้งเด็กๆสองคนลูกของเธอก็ชอบเขามากแต่แม่หญิงไม่ค่อยสนใจเขานักเมื่อพบกันครั้งแรกที่เธอออกจะสนใจเข้าบ้านในตอนหลังๆก็เป็นเพราะเห็นว่าเขาเข้ากับเด็กๆของเธอได้ดีครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าที่นี่บุกรุกเข้าปัปญนร่างของข้าพเจ้าที่นั่น ก็คือตอนที่ทั้งสองคนกำลังประกาศแก่เพื่อนฝูงว่าเขากำลังจะแต่งงานกันแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำว่าแต่งงานนี้ดูจะมีความหมายไม่เหมือนกันกับในโลกของเราแต่จะผิดกันอย่างไรก็ยังไม่ทราบแน่พวกเพื่อนฝูงพากันประหลาดใจใหญ่รอนับตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับแม่หญิงหลีอาจเป็นการยาหรือตายหรืออะไรอื่นก็ไม่แน่ ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลา30สิบวันเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเขามีวันคืนกันเหมือนเราหรือเปล่าปรากฏว่าข้าพเจ้าที่นั่นมีความพึงพอใจเธอมากแต่ฝ่ายหญิงดูท่าทียังมีความเศร้าและเก็บตัวเหมือนเดิมครั้งต่อมาการเข้าแทรกแซงเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองคนกำลังอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่ง ในภูมิประเทศที่ดูเหมือนจะมีสภาพเป็นกึ่งชนบทฉะนั้นบ้านนี้ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยมีหน้าต่างเป็นรูปผืนผ้ายาวชายคากว้างคล้ายกับชายคาของเจดีย์อะไรอย่างหนึ่งห่างออกไปประมาณ300อยหลาจะเห็นทางรถไฟเรียบโค้งไปตามแนวเนินจากบันไดบ้านมีสนามหญ้าเขียวชะอุ่มเรื่อยไปตามลาดของเนินข้าพเจ้าที่นั่น มีห้องทำงานอยู่หลังบ้านนี้เป็นอาคารที่ทำงานมีห้องเดียวตอนนั้นแม่หญิงลีเข้ามาในห้องที่ทำงานและเดินตรงมาที่โต๊ะทำงานซึ่งเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าที่นี่เกิดไปสวมรอยข้าพเจ้าที่นั่นพอดีเธอกล่าวขึ้นว่าคนงานก็อยากจะขอ ย, ยืมเครื่องมือสักหน่อยยุ่งละสิข้าพเจ้ามีรู้เรื่องอะไรสักหน่อยเลยมองดูเธอตาค้างอยู่นั่นเองตอบอะไรก็ไม่ถูก ถามทรงเดชออกไปว่าคนงานที่ไหนกันเธอตอบกลับมาว่าเป็นพวกคนงานที่ทำงานกันที่ถนนซึ่งตอนนี้คงยังไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติแต่แล้วอะไรก็ไม่ทราบทำให้ข้าพเจ้าตอบโล่งออกไปว่าไม่เห็นมีคนงานที่ไหนกันเลยพอได้ยินเช่นนี้แม่หญิงมองดูคู่สอนธนาด้วยความแปลกใจคงจะเริ่มสงสัยอะไรขึ้นมาบ้างแล้วข้าพเจ้าเห็นท่าไม่ดี ขืนอยู่ต่อไปจะเกิดเป็นเรื่องเปินและสับสนยุ่งกันใหญ่เลยถอยฉากกลับมาเข้ากายเนื้อโดยผ่านทางช่องโรงนั้นเรื่องยังไม่จบอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าที่นั่นสร้างห้องทดลองวิทยาศาสตร์ส่วนตัวขึ้นมาอันที่จริงตนเองก็ไม่มีความรู้มากมายอะไรนักแต่ก็อยากจะค้นคว้าเพื่อให้ได้พบอะไรใหม่ๆบ้างอาจเป็นด้วยอาศัยทรัพย์สมบัติของแม่หญิงหลีก็ได้ ขพเจ้าที่นั้นได้สร้างอาคารเก็บของหลังใหญ่ขึ้นและแบ่งออกเป็นห้องเล็กห้องน้อยแล้วก็ทดลองอะไรง่วนอยู่คนเดียวในระหว่างการทดลองนี้เองครั้งหนึ่งขพเจ้าที่นี่เกิดบุกรุกไปอาศัยร่างของเขาเขา้าเสร็จแล้วก็งงเพราะไม่รู้ว่าจะทำการทดลองต่อไปอย่างไรดีทันใดนั่นเองหลีก็พาเพื่อนๆ เ, เข้ามาดูที่ทางาน เพื่อจะคุยว่าเขากำลังดำเนินการค้นคว้าอันสำคัญอยู่ตอนนี้เองพอลีถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้าพเจ้าที่นี่ซึ่งอยู่ในร่างของข้าพเจ้าที่นั่นเลยหมดท่าไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดีลีมีท่าอึกอักอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเห็นกิริยาท่าทางอันอึกอักของข้าพเจ้าเลยทำเสพพาแขกออกไปดูห้องอื่นๆต่อไป ข้าพเจ้าที่นี่ก็ยิ่งงงใหญ่คือไม่รู้จะอยู่ที่เดิมดีหรือจะตามไปสนทนากับเขาดีแต่ในที่สุดก็อยู่ที่เดิมพร้อมกับพยายามจะสวมรอยใช้สมองของเขาเพื่อจะให้รู้ว่าเขากำลังทำการค้นคว้าทดลองอะไรอยู่ น, นึกๆไปเท่าที่พอจะจับใจความได้ก็เป็นทานองว่าเขากำลังค้นคว้าหาทางพัฒนาการละครอย่างใหม่ขึ้นโดยหาวิธีปรับปรุงออกแบบเวทีแสงและฉาก เพื่อให้ผู้ดูายเห็นแล้วรู้สึกเหมือนกับเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นจริงๆข้าพเจ้าหาทางรู้ได้อย่างหยาบๆเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าควรจะพอแล้วต่อจากนั้นก็รีบถอยออกมาเข้าร่างของข้าพเจ้าเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนยุ่งเหยิงกับชีวิตของเขามากขึ้นไปกว่านี้ อีกครั้งหนึ่งเขากำลังไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเขากันทั้งครอบครัวซึ่งรวมทั้งเด็กสองคนด้วยแต่ละคนกำลังขับรถแบบที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังคนไปตามถนนบนภูเขาอันวกไปวนมาโดยไม่ได้ตั้งใจตามเคยขาพเจ้าที่นี้ไปเข้าร่างของขาพเจ้าที่นั่นในขณะที่รถลงจากเนินดินแห่งหนึ่งแล้วและกำลังขึ้นเนินอีกแห่งหนึ่งแน่ละ่ะ ขปเจ้าไม่เคยขับเคลื่อนยานพาหนะแบบนี้มาก่อนดังนั้นพอพยายามบังคับมันให้ขึ้นเนินได้ประเดียวเดียวมันก็ถลาลงไปคลุกฝุ่นอยู่ข้างทางลีกับเด็กๆต้องรออยู่พักใหญ่เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้และขพเจ้าที่นี่ในร่างของขพเจ้าที่นั่นก็บ่นพึมพำว่าควรจะเดินทางด้วยวิธีอื่นซึ่งจะสะดวกกว่านี้คำบ่นเช่นนี้ คงจะมีความเกี่ยวพันอะไรสักอย่างเป็นแน่เพราะปรากฏว่าหลีนิ่งเงียบไปอย่างแปลกประหลาดข้าพเจ้าที่นี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดแต่ก็เชื่อว่าข้าพเจ้าที่นั่นซึ่งเป็นเจ้าของร่างที่แท้จริงคงจะต้องรู้เป็นแน่ข้าพเจ้าคิดว่าจะบอกเธอให้รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ข้าพเจ้าที่นั่นตัวจริงแต่แล้วก็คิดว่าขืนบอกไปมันก็จะยุ่งกันใหญ่อีก เลยตัดสินใจว่ากลับดีกว่าแล้วก็กลับมาเข้าร่างของตนเองโดยผ่านทางช่องโพรงนั้นต่อมายังมีอีกตอนนี้ข้าพเจ้าที่นันกับแม่หญิงลีไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาได้พบความสาเร็จในการงานของเขาดีขึ้นแต่มันก็ทำให้เขาห่างเหินเธอไปตอนนี้เขาอยู่คนเดียวและก็คิดเสียใจอย่างลึกซึ้ง การที่ทำให้เธอโกรธเขาพบเธอครั้งหนึ่งในเมืองใหญ่และได้ขอร้องให้เธอยอมให้เขาไปเยี่ยมเธอบ้างเธอก็ยินยอมโดยบอกว่ารอดูเหตุการ์ไปเรื่อยๆก่อนตอนนั้นลีอยู่ในอพาร์ตเมนต์บนชั้นที่สของอาคารหลังหนึ่งซึ่งเขาก็สัญญาว่าจะไปหาเธอที่นั่นแต่บังเอิญก็ททำตำบลที่อยู่ของเธอหายและตนเองก็จาไม่ได้เสอีกด้วยดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าที่นี่ไปเข้าข้าพเจ้าที่นั่นก็เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าที่นั่นกำลังอยู่ในสภาวะกลุ้มใจและหมดหวังเพราะเขาคิดว่าแม่หญิงจะต้องถือว่าการที่เขาไม่ไปหาเธอนี้ย่อมแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเธอเลยนั่นเองและก็จะเป็นเครื่องแสดงว่าเขามีใจโลเลอีกด้วยดังนั้นเขาจึงพยายามหาเวลาว่างเพื่อค้นหาแม่หญิงและลูกๆของเธอตลอดเวลา ข้อสันนิษฐานท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นอะไรกันแน่ดูดูก็เป็นเรื่องเหลวไหลไม่ได้เรื่องอะไรจะว่าเป็นเรื่องของจิตไร้สำนึกที่ต้องการหนีจากความจริงของโลกนี้ก็ดูจะไม่มีเหตุผลน่าฟังเพราะมันไม่ดีไปกว่าสภาพในโลกของจิตสำนึกเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องแอบไปแสวงหาความสุขก็มขไม่ได้อีกเพราะมันไม่มีความสุขอะไรนักในชีวิตแบบนั้น ตกลงก็ต้องใช้วิธีการเดาหรือัมเมไปตามเรื่องซึ่งจะหาหลักวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนก็คงจะไม่ได้อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นคนสองชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากนี้อาจเป็นร่องรอยให้เกิดความคิดคำหนึงได้บ้างกระมังว่าโลกที่สามนี้ควรจะอยู่ที่ไหนกันแน่ข้อสันนิษฐานที่น่าเป็นไปได้ที่สุดก็คือ โลกที่สามกับโลกที่หนึ่งของเรานี้มีสภาพไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เห็นได้จากความเจริญทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต่างกันโลกที่สมไม่ได้เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเราเลยอาจจะน้อยกว่าเสียด้วยซ้ำในประวัติศาสตร์ของเราก็ยังหาไม่พบความเจริญทางวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นอยู่ในโลกที่สามนี้ควรจะเป็นยุคไหนดูๆไปโลกที่สามนี้ ก็ไม่ใช่อดีตหรือปัจจุบันของโลกมนุษย์เราเลยและจะว่าเป็นอนาคตก็คงเป็นไปไม่ได้อีกด้วยแต่แล้วก็มีปัญหาว่ามันเป็นอะไรกันแน่จะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่สองก็ไม่น่าเป็นไปได้อีกเพราะในโลกหรือสภาวะที่สองนั้นก็ใช้ความคิดอย่างเดียวเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานก็พอแล้ว หรือว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ตกค้างอยู่ซึ่งอาจจะเป็นความทรงจําของชาติพันธ์ใดก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้คือหมายความว่ามันเป็นอริยธรรมโบราณของโลกนี้เองแต่เป็นสถานที่ที่มีมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์แต่หรือว่ามันจะเป็นโลกที่ไหนสักแห่งหนึ่งในจักรวาล น, นี้ซึ่งมีสภาพคล้ายกับโลกเรานี้แต่เป็นโลกหรือสภาพที่จะเข้าถึงหรือติดต่ อ, อ ก, กันได้โดยทางใจเท่านั้น หรือว่ามันจะเป็นสภาพที่ไม่มีวัตถุคือมีแต่นามธรรมซึ่งมีลักษณะถอดแบบไปจากโลกนี้ดังนั้นจึงมีลักษณะเหมือนกันเป็นบางอย่างแตกต่างกันเป็นบางอย่างแต่ก็มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นรายบุคคลไปภายใต้พลังอันยิ่งใหญ่บางอย่างซึ่งเรายังไม่มีความสามารถและความรู้พอที่เข้าใจได้ในปัจจุบันนี้ ดรลีอเ็มเลเดแมนศาสตราจารย์วิชาฟิสิกแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้กล่าวไว้ว่าหลักการขั้นมูลฐานของวิชาฟิสิกนี้สอดคล้องกันกับแนวคิดเรื่องจั ก, กรวาลของโลกซึ่งไม่ใช่วัตถุซึ่งประกอบไปด้วยดาวและดาวเคราะห์อันเกิดจากปรามนูเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายวัตถุปรามนูอันไม่ได้เป็นวัตถุคือคงเป็นฝ่ายนมามธรรมกระมัง ซึ่งประกอบด้วยดิอิคลีสที่เป็นฝ่ายลบซึ่งมีอิเล็กตรอนที่เป็นฝ่ายบวกล้อมอยู่โดยรอบปัจจุบันนี้เราอาจคิดไปตามเหตุผลอันซับซ้อนได้เหมือนกันว่าโลกต่างๆซึ่งไม่ใช่ฝ่ายวัตถุนี้น่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ก็ได้โดยที่ผู้คนเหล่านั้นก็คงจะมีกายซึ่งไม่ใช่วัตถุเหมือ น, อนกันและในโลกอันไม่ใช่วัตถุนี้ นักวิทยาศาสตร์ของเขาซึ่งก็คงจะต้องเป็นผู้มีกายไม่ใช่วัตถุเหมือนกันอาจจะกำลังค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นโลกของเราเป็นต้นและคงกำลังจะตื่นเต้นกันใหญ่ก็ได้ว่าสภาวะที่เป็นวัตถุนี้ก็มีได้เป็นได้เหมือนกัน